ผู้ใดยังคำนึงถึงรสเปรี้ยวรสหวานและรสขมติดอยู่ในความอยากในรสย่อมไม่รู้สึกถึงความคิดในใจที่เกิดขึ้นว่านะคือความคิดในใจตั้งกับบวชว่าเราจะทําที่สุดทุกขผู้นั้นย่อมไม่พ้นจากทุกข์นะพ้นจากทุกขไม่ได้นะนะครับเปรี้ยวเอ๊ะเป็นยังไงเอ๊ะขอมาเนี่คิดถึงเปรีย้ยวคิดถามมะนาวอยู่เหมือนกัน แสดงว่านี้ไม่พ้นทุกแน่นะ น, นะคิดถึงเปรี้ยวเอาคิดถึงเปรี้ยวก็คิดถึงทุกผู้ใดคิดถึงทุกผู้นั้นก็ไม่พ้นจากทุกพอนจะต้องหาทางสลัดออกนะไอะ้คิดยังไงจึงจะพ้นทุกใช่ไหมหากผู้ใดไม่เห็นอุบายเป็นที่สลัดออกซ่องเสพกลิ่นผู้นั้นยังติดอยู่ในกลิ่นย่อมพ้นจากทุก์ไม่ได้ น, น, นะเฉพาะกลิ่นนี่ก็ชัดเจนนะ น, นะเขาบอกว่าอธิบายว่า ผู้กำหนัดด้วยตัณหาในรถอันเป็นเหตุย่ำยีธรรมะที่ไม่มีโทษจึงไม่รู้สึกคือไม่รู้ได้แก่ไม่ปฏิบัติใจคือในส่วนในภายในแห่งพระศาสนาที่จริงแล้วเรื่องรถเนี่ยนะพระองค์ให้เห็นโทษมากจริงๆเลยก็บอกว่าถ้าจะบัญญัติปัญจมะปาราชิกเนี่ยนะก็คือบัญญัติเพราะการฉันและไม่พิจารณานี่แหละถ้าจะมีปาราชิกข้อที่5ใช่ ข้อที่หเสพเมตุนทำข้อที่2อลักทรัพย์ข้อที่สข้ามมนุษย์ข้อที่4อวดอุตริมนุสธรรมแต่ถ้าจะบัญญัติปาราชิกข้อที่5คือฉันไม่พิจารณานะอันนี้ตามอัตถกาถาปุตตะมัง ส, สูตรสัญญุตานิการนิธานวัคเนี่ยกล่าวไว้อย่งงางนั้นเลยเพราะว่าเออเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องท้องเนี่ยเดี๋ยวเรียนอาชีวปาฏิสุทธิสี่น่าจะมีเรื่องนี้เพราะอาชีพเป็นเหตุเพราะปากท้องว่างั้นเถอะสามารถเป็นอบัติ ได้ตั้งหลายข้อปาราชิตก็เป็นได้สังขารที่เสพก็ได้เป็นต้นเนี่ยนะเพอปากท้องแท้ๆเลยว่างั้นมันปากทองเนี่ยนับสําคัญมากพราะ เ, เรือกคิดแต่เรื่องปากเรื่องท้องนั่นแหละลืมเลยว่าไอ้บวชมาทําไมเนี่ยนะตอนต้นเนี่ยอตั้งความปาถนาว่าบวชแล้วเนี่ยจะทําที่สุดแห่งทุกข์ให้ได้ว่างั้นพอมาถ้าไปอยู่ที่นั่นถ้าไม่มีอาหารแบบนั้นจะไปอยู่ได้ยังไงเนี่ยนะก็เลยไม่ไปเลยนี้ก็เลยอดเลยก็มอติดพันผูกพันอยู่กับรถนั่นแหละ บอกว่าผู้ใดนึกถึงโพธิภพที่สวยงามนะโพธิภพทั้งที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองเนี่ยนะนะไม่ปฏิกูลไม่ปฏิกูลก็คือเป็นอารมณ์ที่น่าเรื่อนรมใจคือน่าปรารถนายินดีแลว้วผู้นั้นย่อมประสบทุกข์ต่างๆซึ่งมีราคะเป็นเหตุเนี่ยนะก็บอกว่ากำหนัดด้วยราคะอันมีความกำหนัดย่อมได้เฉพาะทุกข์อันเป็นไปในปัจจุบัน เขาบอกว่าย่อมประสบทุกในปัจจุบันเพราะความเร่าร้อนเพราะราคาเป็นต้นและทุกอันเป็นไปในสัมปรายพบด้วยการเดือดร้อนในนรกเป็นต้นเนี่ยนะเพราะนึกถึงโพธพะอันโพธะภารมนั้นค่อนข้างมีความสำคัญจริงๆท่านอธิบายว่าวิวิธังวินทเตทุกขังย่อมได้เฉพาะทุกอันเป็นไปในปัจจุบัน ด้วยความเร่าร้อนเพราะราคะเป็นต้นเนี่ยนะราคาเป็นเหตุให้เร่าร้อนสแสวงหาโพธาภาเหล่านั้นน่ะแล้วก็ทุกอันเป็นไปในสามปลายยภพด้วยการเดือดร้อนในนรกเป็นต้นผู้ใดไม่อาจระวังรักษาใจจากธรรมรมณ์เหล่านี้ทุกที่เกิดในกระแสอารมณ์ทั้ง5ย่อมติดตามผู้นั้นเพราะไม่ระวังรักษาใจนั้น ท่านอธิบายไว้ว่าไม่อาจรักษาคือคุ้มครองใจได้แก่มโนทวารคือมโนทวารทั้งหมด ท, ทั้งที่เป็นตัทธโนวัติกะและก็สุทธมโนทวานเนี่ยนะคือมโนทวารที่ต่อจากการรับอารมณ์ในปัญจทวารและก็ความคิดภายในเกิดขึ้นล้วนๆเนี่ยจากธรรมห้าประการคือเกิดจากการห้ามความคิดนิดคิดถึงูปเสียงกลิ่นรบโพธะตามที่กล่าวแล้วนั้น และประเภทแห่งธรรมรมธรรมรมก็คือพวกเจตสิกทั้งหลายรูปที่เหลือจากปัญจารม์เห็นไหมพวกบัญญัติทั้งหลายก็ชื่อว่าประเภทธรรมรมด้วยการห้ามบาปประกรรมที่เป็นไปในธรรมเหล่านั้นคือไม่ใช่ไม่ให้รับรู้ในสิ่งเหล่านั้นเลยแต่ให้รู้แต่รู้อย่างไรที่แล้จ่าไม่เป็นบาป อ, ะอ่ะตรงนั้นเนี่คือคือกิจของการศึกษาในพระศาสนานี้เมื่อเกี่ยวข้องกับอารมณ์เหล่านนั้นั้น ทำอย่างไรใจไม่เป็นบากนะแสดงว่าคนเหล่านั้นจะต้องรู้จักบุญใช่ไหมนะบุญเกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไนนะกุศลเกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไ น, นกามาวจรกุศลเป็นต้นใช่ไหมกามาวจรกุศลเป็นต้นสําเร็จด้วยทานศีลและภาวนาเป็นกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมนะนะกุศลจิตเหล่านั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุนั้นคือเพราะไม่รักษาใจนั้น อันมีการไม่รักษาใจนั้นเป็นเหตุย่อมติดตามคือไปตามบุคคลนั้นและเมื่อติดตามไปย่อมติดตามไปด้วยธรรมะแม้ทั้งห้ามีรูปเป็นต้นกับอารมณ์ที่หกแม้ทั้งหมดเป็นอารมณปัจจัยทั้งรูปเสียงกลิ่นรสโภภพธะธทำมารมณ์ก็วนวนอยู่ในจิตนะคือจิตไปหน่วงนึกเอาอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้น น, น, นั่นแหละคือก็บอกผู้ใดไม่ระวังรักษา ใจจากธรรมารมณ์เหล่านี้ธรรมอารมณ์ก็คือธรรมอารมณ์ก็คือสีเสียงกลิ่นรสโภชพะและธรรมา ร, รมณ์เป็นประเภทอธิบายไว้กว้างะนะทั้งทั้งธรรมอารมณ์ด้วยทุกที่เกิดจากกระแสะอารมณ์ทั้งห้าที่จริงแล้วธรรมารมณ์ทั้งหลายเนี่ยนะคือธรรมารมณ์ที่เนื่องมาจากสีเช่นสีอาจจะว่าเราเห็นคนสักคนหนึ่งนะที่จริงอะ่ะทางตาของเราคือสีเท่านั้นเอง ความนึกคิดของเขาอ่ะเช่นเอ๊ทำไมเขาสีหน้าแบบนั้นเนี่ยนะจากธรรมารมณ์ต่อไปแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ธรรมารมณ์ทั้งหลายแหละก็เนื่องเกี่ยวกับสีเสียงกปลี่ยนรสโพธะะแลอะอ่าสีเสียงกปลี่ยนรสและโพธะนั่นเองใช่ไหมต่อด้วยธรมรมารมณ์เช่นคนนั้นเขาะสะแสดงกิริยาบางอย่างเอ๊เขาคิดอะไรอยู่นะเอ๊ใจเขาเป็นอะไรนะตอนนั้นทําไมเขาจึงพูดแบบนั้นแบบนั้นมาจะต่อด้วยธรมรมารมณ์ทันทีเลยนะเพราะฉะนั้นตาเห็นต่อด้วยธรรมารมต์ ฟังเสียงก็ต่อด้วยธรมรมารมณ์ดมกลิ่นก็ต่อด้วยธรมรมารมณ์เนี่ยนะโพธิภะก็ด้วยธรมรมารมณ์ในชีวิตของเราเนี่ยนะธรมรมารมณ์เนื่องด้วยสีเสียงกลิ่นรสโพธิภะทั้งนั้นเลยสุดทัศนวทารีถีเหล่านั้นก็เนื่องจากอารมณ์ทั้งห้าเองนะเว้นไว้แต่คนได้ชานอย่านงนั้นน่ยคนได้ชานนี่จะเป็นธรมรมารมณ์ที่มาจากกสินนิมิตจากอะไรซึ่งเป็นเรื่องละเอียดลึกซึืงไป แต่ธรรมารมณ์ของเราทั้งหลายพ้นจากรูปเสียงไหมเช่นธรรมารมณ์ก็เนื่องด้วยสีอ น, นั้นธรรมารมณ์ก็เนื่องด้วยเสียงธรรมารมณ์ก็เนื่องด้วยกลิ่นธรรมารมณ์ก็เนื่องด้วยรสธรรมารมณ์ก็เนื่องด้วยโภตพภะเรื่องราวทั้งหลายแหล่เวทนาสัญญาสังขารก็เกี่ยวเนื่องกับสิ่งนั้นๆนั่นเองถามว่าเกี่ยวเนื่องอย่างไรธรรมารมณ์ได้แก่จิตและเจตสิกใช่ไหม จิตใดเป็นเหตุให้สีหน้าแบบนั้นเกิดพอเรามองเห็นหน้าปั๊บเราอย่างถึงใจด้วยใช่ไหมฟังเสียงคาพูดของเขาคิดถึงจิตของเขาด้วยวันสิ่งเรานี้เป็นเรื่องธรรมอารมณ์หรือเขาพูดเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ก็เป็นธรรมอารมณ์หรือเมื่อเราไปเห็นอารมณ์เหล่านั้นแล้วเราคิดอย่างไรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเอธรรมอารมณ์ทั้งหมดเนื่องด้วยอารมณ์ทั้งห้าเลย เพราะถ้าหากว่าผู้ที่ไม่ระวังรักษาเนี่ยนะก็ทุกก็จะเกิดในบุคคลเหล่านั้นเนี่ยนะทีนี้ต่อไปท่านก็บอกว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยหนองเลือดและซากศพเป็นจำนวนมากเนี่ยนะมีดีและเสมหาเป็นต้นเนี่ยนะที่นรชนผู้กล้าสร้างไว้เกลี้ยงเกล่วิจิตงดงามแต่ภายนอก ภายในเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีอุจจาระเป็นต้นเนี่ยนะดุดสมุกขาว่างัน้นก็คือของที่มันดูแต่งงามแต่ภายนอกเนี่ยนะไม่เชื่อก็ถลกดูด้วยนะเอาก็ถลกเอาร่างกายนี่ไงก็ตลกไปเรื่อยๆนัน่แหละเอาแค่นห้ตลกผ้านะคิดมึงคิดไม่ได้นะ ติดเลยกันนี้ไม่ตายต่อเลยกันนี้อยู่ลำบากแล้ว น, นั้นเต็มไปด้วยหนองเลือดและซากศพเนี่ยนะเป็นจํานวนมากที่ตันหาเนี่ยสร้างเอาไว้นะเกลี้ยงเกลา ว, วิจิตงดงามแต่ภายนอกแต่ว่าภายในนี้เต็มไปด้วยของไม่สะอาดแล้วก็ที่เผ็ดร้อนมีรสหวานชื่นใจผูกพันด้วยความรักเป็นทุกฉาบทาไว้ด้วยของที่น่าชื่นใจในภายนอก ดุดมีดโกนทาน้ําพึ่งที่คนเขาไม่รู้ซึ้งฉะนั้นเห็นไหมสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคือไอ้ร่างกายเนี่ยนะเป็นที่เผ็ดร้อนแต่ก็เผ็ดร้อนแบบชื่นใจใช่ไหมแบบหวานด้วยนะก็เลยผูกพันด้วยความรักที่จริงแล้วเป็นของที่เร่าร้อนมากแต่ว่าเมื่อเกี่ยวพันเกี่ยวพันในลักษณะของอัศร์ทะเพราะนั้นความทุกข์ต่างๆก็ติดตาม นะความทุกเหล่านั้นก็ฉาบทาไอความสุขที่เกิดขึ้นในสิ่งนั้นนั้นก็เหมือนกับน้ําผึ้งที่ทามีดโกนเขาว่างั้นพรมีดโกนขนนกเนี่ยจับเฉยๆยังทิ้ ง, งยังกระ บ, บาดเลยอ่างนั้นแล้วไอน้ำผึ้งที่ไปทาเ น, นี่ยนะมันก็ทานในใบมีดเนี่ยมันก็มีความหวานแต่ว่าเลียไปแผลบหนึ่งเนี่ยนะเลนนี่เป็นสองแฉกละเลือดอาบเลยนัย่นแหละนั้นเมื่อเกี่ยวข้องสแสวงหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะ ทางคำสอนของเรากล่าวว่าเป็นสุดตรงอย่างหนึ่งเรียกว่าการมาสุขันลิกานุโยคเนี่ยนะเป็นความสุดตรงอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าเป็นสุขโตเนี่ยจะไม่สแสวงหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้นนะทีนี้ถ้าเป็นบุรุษละ่ะจะกําหนัดในรูปรูปไหนก็บอกบุรุษที่กาหนัดยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผดและโพธะพะของสตรีย่อมประสบทุกต่างๆในปัจจุบันและ สัมปรายภพกระแสตันหาในสตรีทั้งหนะ้านะย่อมไหลไปในทาวารทั้งห้าของบุรุษผู้ใดมีความเพียรอาจทําการป้องกันกระแสตันหาทั้งหนั้นได้ผู้นั้นมีความรู้ตั้งอยู่ในธรรมะขยันมีปัญญาเครื่องพิจารณาถึงจะยินดีอยู่ก็เพึงทํากิจที่ประกอบด้วยเหตุผลได้นะถ้าตั้งอยู่ในธรรมเป็นต้นเนี่ยนะ แต่เป็นที่น่าสังเกตเขาบอกว่ากระแสตันหาในสตรีทั้งหย่อมไหลไปในทาวารทั้งห้าของบุรุษถ้าหากว่าใครเคยอ่านคมภีอังคุตรนิกายอังคุตรนิกายนี่นะมีเป็นนิบาดนิบาดอยู่11นิบาดเอกานิบาดทุกกติกะจตุกะปัญจากะฉัากกะสัตกะอัฐกะนวากะทศกะเอากาทศกะแล้วก็มีหมวดเบ็ดเตล็ดอีกบ้างานะสูตรที่1ว่าด้วยอะไรรู้ไหม สูตรที่หนึ่งก็จะอยู่ในวักวักแรกก็รูปาที่วักค ว, ว, ว่ากันวักไว้ด้วยรูปเป็นต้นพระ อ, องค์ตรัสไว้เลยบอกว่าดูก่อนที่สูตทั้งหลายเราไม่เล็งเห็นรูปอื่นแม้อย่างหนึ่งว่าันใช้สัพพัญยุตยานตรวจ ด, ดูหมดเลยนะในสีทุกชนิด น, นะนะเราไม่เล็งเห็นรูปอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะพึงครอบงำจิตของบุรุษตั้งอยู่เหมือนกับรูปของสตรี ดูกอนพิสูจทั้งหลายรูปของบุรุษครอบงำจิตรูปของสตรีเนี่ยนะครอบงำจิตของบุรุษตั้งอยู่ผมบอกว่าใช้สัพพัญยุตยานตรวจดูแล้วนะว่าใจของบุรุษเนี่ยดำรงอยู่ในรูปของสตรีมากวา ง, งนดูกอนพิสูจทั้งหลายเราไม่เล็งเห็นเสียงอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะพึงครอบงำจิตของบุรุษตั้งอยู่เหมือนเสียงสตรี ดูกอนพิสูจน์ทั้งหลายเสียงของสตรีเนี่ยครอบงำจิตบุรุษตั้งอยู่ซึ่งเดี๋ยวไปเลยไปอีกหน่อยเนาะจะได้ให้จบสูตรนี้เลยเพราะว่าถ้ายังติดอยู่กับการประกอบกิจที่เป็นประโยชน์ในปัจจุบันควรเว้นกิจที่ไม่เป็นประโยชน์เป็นผู้ไม่ประมาทมีปัญญาเครื่องพิจารณารู้ว่ากิจนั้นไม่ควรทา พึงเว้นเสียอันนี้กล่าวถึงคารวาสเนี่ยนะถ้าหากว่าจะทํากิจอย่างใดๆก็ต้องให้แยกหน่อยถ้าไม่มีประโยชน์ก็ไม่มีประโยชน์ในโลกนี้ไม่มีประโยชน์ในโลกหน้าเว้นได้ก็เว้นไปเถอะมางา น, นเถอะควรยุดกิจที่ประกอบด้วยประโยชน์ในปัจจุบันและความยินดีที่ประกอบด้วยธรรมนะนะปราโมทปีติที่เกิดจากธรรมเนี่ยนะประพฤติเพราะความยินดีนั้นแลชื่อว่า เป็นความยินดีสูงสุดความยินดีในธรรมเนี่ยนะนับว่าเป็นความยินดีที่สุดว่าเป็นอมตะของผู้รู้แจ้งด้วยซ้ำไปก็บอกว่าถ้าหากว่าความปราบเพื่มปีติอย่างอื่นความปราบเพื่มปีติโสมนัตนั้นเป็นไปกับด้วยโทษแต่ปราบเพื่มปีติที่เป็นไปกับธรรมเป็นเป็นปีติที่สูงสุดเนี่ยนะเป็นความยินดีที่สูงสุดเพราะว่าผู้ที่ยินดีในธรรมเนี่ยนะทำให้เขาพ้นจากทุกได้ ผู้ใดปรารถนาจะใช้อุบายต่างๆช่วงชิงเอาสิ่งของของคนเหล่าอื่นฆ่าเบียดเบียนผู้อื่นและทำผู้อื่นให้เศร้าโศกนี่นะตัว น, นี้ก็คือฆ่าสัตว์นั่นแหละฉกชิงเอาสิ่งของของคนเหล่าอื่นด้วยความทารุณร้ายกาดการกระทาของผู้นั้นไม่ประกอบด้วยประโยชน์คือประเภทอาทินาทานคนมีกําลังเมื่อจะถากไม้ย่อมใช้ลิมตอกลิมชันใด พิสูจผู้ฉลาดก็ฉันนั้นย่อมใช้อินทรีย์นั่นแหละขจัดอินทรีย์นะใช้อินทรีย์คืออินทรีย์คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาขจัดอินทรีย์5คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนรชนเหล่าใดอ บ, บรมศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาใช้อินทรีย์5ฝึกอินทรีย์หเป็นพรามไม่มีทุกข์ถึงอนุปาทาปรินิพานเพราะฉะนั้นคนที่จะฝึก อินทรีทางตาเนี่ยนะมีศรัท ธ, ธาก่อนชั้นต้นเลยนะี่ยนะมีศรัท ธ, ธาในพระธรรมไตรพิจารณาในทางตานะจะต้องมีศรัท ธ, ธาในคุณของพระพุทธเจ้ามีศรัท ธ, ธาในคุณของพระธรรมพระธรรมกล่าวถึงเรื่องทางตาว่าอย่างไรบ้างต้องมีศรัท ธ, ธาก่อนนะแล้วก็ทรงจําคําสอนเหล่านั้นเอาไว้ให้ได้เพราะฉะนั้นศรัท ธ, ธาก็มีอาหารใช่ไหมอาหารคือการฟังในเรื่อง ทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจมาเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยเมื่อมีศรัทธา ม, มั่นคงกําหนดจดจาได้หมดแล้วก็เอาเพียรพยายามในการไข้ครวญ น, น, นะให้พิจารณาเองไม่พิจารณารอกเชื่อถึงจำได้นะราะมานี่สังเกตมานานแล้วดูที่จะพิจารณาเองหรือเปล่าไม่มีรอให้คิดอยากทาเองเลยนะอาสังขาริกมายากจริงๆก็ต้อง ส, สังขาริกชักชวนหน่อ ย, อยนะนะ อ, อ้โพิจารณาทางตาเนี่ยพิจารณาอย่างไรใช่ไหมแต่ถ้าพอมาจะมีศรัทธาตามโลกะนิโรทสูตรเนี่ยนะที่บอกว่าอาศัยจากขู่กับโรคเกิดจากขูวิญญาณเนี่ยเสร็จแล้วก็จากขู่ก็เอาหลักธรรมหมวดอื่นๆมาใส่ลงไปให้หมดสีเอาหลักธรรมใส่ลงไปในเรื่องของสีจากขูวิญญาณก็เอาหลักธรรมในเรื่องต่างๆใส่ลงมาในจากขูวิญญาณภาษาก็เอาคําสอนอย่างอื่นๆที่เกี่ยวกับเรื่องภาษาใส่ลงไป เวทนาก็เอาคําสอนเกี่ยวกับเรื่องเวทนาวิพิจารณาลงไปอ า, นะอาศัยจากขู่และรูปเกิดจากขูวิญญาณความประชุมของธรรมะสามอย่างเป็นภาษะเพราะภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาทีนี้เวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาถ้าหากว่าสำ ROC ตัณหาโดยไม่มีส่วนเหลือตัณหาจะสํารอกอย่างไรสำ ROC ด้วยการไข้ครวญตาให้ละเอียดนะทั้งเหตุเกิดความดับอาส า, าทาอาทีนวะและนิสรณะทนะี่ใคร่ครวญสี จากขูวิญญาณจากคูสัมผัสและก็เวทนาเป็นต้นอันั้นคนที่จะฝึกสิ่งเหล่านี้เบื้องแรกศรัทธาแล้วเขามีความเพียรสติเล็งถึงประโยชน์ของการเจริญกุศลรธรรมเหล่านี้สามารถกำหนดจดจำคำสอนได้แต่ก็ในขณะที่ทาถ้าทาถูกนะจะสงบเป็นสมาธิจริงๆถ้าฝึกถูกต้องนะจะเป็นสมาธิแล้วก็ปัญญาคร่ครวญแยกแยะพิจารณาถึงความเกิดและความดับของตาของ สีของจักขูวิญญาณของผัสสะของเวทนาเป็นต้นแล้ถ้าหากว่าใช้อินทรีย์ฝึกอินทรีย์ในทวารทั้งห้าครบทุกทวาร น, นะตาหูจมูกลิ้นกายก็คืออินทรีย์ที่เป็นใจนี่ก็แบ่งออกเป็นอินทรีย์ที่เป็นข้อปฏิบัติอย่างหนึ่งใช่อินทรีย์ทางใจเนี่ยคือที่เป็นกุศลที่เป็นไปกับศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาอินทรีย์อันนี้ควรปฏิบัตินะเมื่อปฏิบัติ ไม่ยินดีในอินทรีย์ทั้ง5้าคือตาหูจมูกเล่นกายใจไอ้ความยินดีเนี่ยเป็นมูลแห่งบาปอย่างอื่นๆ อ, อีกทั้งพวกนะเป็นเหตุแห่งบาปอย่างอื่นอีกมากมายอันถ้าศรัท ธ, ธาเป็นต้นใครครวญธรรมะเหล่านี้บาปอากคุสุรธรรมทั้งหลายก็จะไม่เกิดเพราะฉะนั้นไอ้คนที่มีศรัท ธ, ธาเนี่ยนะศรัท ธ, ธาเนี่ยเป็นเหตุไกลส่วนหนึ่งทําให้ศีลเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อศรัท ธ, ธาเกิดก็จะทําให้มีฮิริโอตตะทําให้ ฮิริออตปาเป็นเหตุกล้างแห่งศีลอันศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานั้นเป็นสิกขาทั้งสนะสิกขาสามเหล่านี้เนี่ยเจริญเพื่อเพ่งอะไรอ บ, บรมเพื่อพิจารณาตาหูจมูกลิลนกายใจนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ที่อ บ, บรมอย่างนี้สำเร็จก็เป็นพรามพรามนี่คือใครพระอรหันต์ต้องเป็นพระอรหันต์ไม่มีทุกข์ถึงอนุ ป, ปาทิเสสานิพาน น, นรชนนั้นมีความรู้ตั้งอยู่ในธรรมทำตามอนุสาสนีที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกประการพระพุทธเจ้าสอนว่ายังไรทำสำเร็จบริบูรณ์ทุกประการย่อมประสบความสุขนะก็สำเร็จเป็นผ้าหางงันเลยอ่างนั้นแต่ถ้าฝึกอบรมอย่างตลอดสายก็เป็นผ้าหาัน น, น, นี่ก็ตามข้อความในปาราปริยะเ น, นี่ยนะ เหตุ hey, รักคาถาผมมองข้อความที่เรียกว่าใช้อินทรียห้าที่เพื่อที่จะขจัดอินทรีห้าเพื่อจะควบคุมอินทรีห้าหมายว่าอินทรีห้าแรกนั้นน่ะได้แก่ได้แก่อินทรีห้างั้นเถอะใช่ไหมฮะได้แก่ศรัทธาวิริยสินสติสมาธิปัญญานี่นะฮะเจนพานตัวนี้เป็นเป็นตัวเข้าไปจัดการกับตาหูจมูกลิ้นกายใจถูกไหมครับ เข้าไปในลักษณะไหนถ้าหากว่าบุคคลที่อินรีห้ายังอ่อนแล้วเขาก็จะไปจัดการกับไอ้ค่าศึกซึ่งมันเข้ามาทางทวารทั้ง6เนี่ยค่าศึกเล็กน้อยก็พอจะใช้อินรีย์ต้นๆขจัดไปได้ถูกไหมครับแต่บางทีค่าศึกนั้นมันใหญ่โตมากนี่นะครับแล้วแล้วพวกเราก็ยังมีอินรีย์ยังอ่อนนะแค่คยังมีอาวุธอะไรแต่ไรก็ยังอ่อนแออยู่เนี่ยนะครับ ก็ไปสู้มันไม่ไหวผมผมมองในแง่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคงจะต้องทำไปพร้อมๆกันคือเพิ่มทั้งอินรีห้านี้ด้วยแล้วในขณะเดียวกันก็ก็สู้ลบไปกับไอ้ค่าศิกที่มาทางทวันต่างๆด้วยเจคพัะอันในส่วนตรงนี้เนี่ยมีศรัทธาในพระรัตนตรายอย่างหนึ่งแล้วก็กรรมมศกตาอย่างให้ให้มากๆหน่อยนะคือไมครัา หมายความว่าเราต้องคิดว่าถ้าเราไม่ฝึกแล้วอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราอันนี้เป็นกรรมมกตาเป็นของเฉพาะตัวตนะซึ่งทุกคนถ้าผู้ใดไม่ฝึกสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดทุกโทษในวัตถุทุกอย่างมากมายมหาศาลพระตัตนะตรายช่วยเราได้นะเพราะคําสอนของพระตัตนะตรายกล่าวถึงสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเลยนี่เราจะเห็นคําว่าจิตที่ได้รับการฝึกดีแล้วเนี่ยนะครับเราได้ยินคํานี้บ่อยๆ ในพระไตรปิฎกใช่ไหมครับนี่คือความหมายนี้ใช่ไหมครับแล้วฝึกได้จิตเราแต่ผู้ที่ไม่เคยฝึกเลยเนี่ยจะทําอะไรได้ไม่ได้ก็ต้องยอมรับว่าไม่ได้จะไปห้ามจากักขุนจีโสตินรียจะไปห้ามยังไงก็ไม่มีทางเพราะไม่เคยฝึกมาเลยพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการฝึกเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นปุริสธรรมสารติเป็นผู้ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า ใครที่ฝึกไม่ได้ก็แสดงก็ไม่ใช่สาวกของพระองค์เพราะว่าพระองค์นี้เป็นผู้ฝึกสัตว์ทั้งหลายถ้าหากว่าเราบอกว่าเราฝึกไม่ได้หรอกแสดงว่าเราก็ไม่มีศรัทธาในพระองค์เพราะพระองค์นี้เป็นสุดยอดของนักฝึกเห็นไหมเป็นผู้ฝึกฝึกเทวดาฝึกมนุษย์ผู้ที่ฝึกที่ผู้ที่พระองค์ฝึกสําเร็จคนเหล่านั้นพ้นจากทุกข์หมดแล้วแต่นี้ของเราถ้ามีศรัทธาที่จะฝึกตามก็ฝึกได้ถ้ามีศรัทธานะ ศรัทธาแล้วมีความเพียรต่อไปนะแล้วก็มีสติมีสมาธิและมีปัญญาถ้ามีธรรมะห้าอย่างนี้เขาฝึกแล้วเขาจะไปสู่ทิศที่เป็นอมะตะอีกประการหนึ่งครับการฝึกนี่นะครับก็คืออย่าไปกระโดดข้ามไปฝึกไอ้ข้ อ, อยากยากจนเรียกว่าเลยไม่อยากฝึกเลยเช่นบอกว่าโอ้ต้องสังวรทวานทุกอารมอย่างเงี้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงสาหรับผู้ที่ยังเริ่มฝึกนี่ใช่ไหมครับม่ๆเนี่ยนะ ให้ฝึกอารมณ์อารมณ์เดียวให้เข้าใจในหนึ่งอารมณ์เนี่ยนะเอาเรื่องนั้นเน่ยเอาอารมณ์หนึ่งอย่างมาตั้งเลยสงองข้อให้เป็นศีลลงใต้สองข้อให้เป็นสมาธิสองข้อให้เป็นปัญญาให้เข้าใจอารมณ์เดียวให้ตลอดสายก่อนอารมณ์ที่เราคล่องมากๆอ่ะเอางี้นะอารมณ์ไหนที่เราคล่องที่สุดนะสองข้อสิกขาสามลงในอารมณ์นั้นเลยเมื่อสงเคราะห์ลงในอารมณ์นั้นได้อารมณ์ที่อื่นไม่มีปัญหา มาถ้าเขียนจดหมายฉบับแรกเสร็จนะฉบับอื่นๆไม่น่ามีปัญหาหรอกเขียนได้หมดแหละเนี่ยนะเพราะฉะนั้นให้ให้สงเคราะห์ให้ได้สักอารมณ์หนึ่งก่อนแต่ถ้าหากว่าผู้ผู้ฝึกเนี่ยนะจะต้องสังวรทุกอารมณ์แต่ไม่ได้ว่าจะต้องรอบรู้ทุกอารมณ์เหมือนพระพุทธเจ้ารู้เป็นบางส่วนแต่ถ้าพระพุทธเจ้านะไม่มีอารมณ์ใดที่พระองค์ไม่ใคร่ควรแต่ของเราก็เอาอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งให้มันเจ๊งสักจริงๆเลยนะ เอาถ้าเอาเรื่องสีก็เอาสีให้ให้มันตลอดสายเลยสีอย่างเดียวนี่แหละเอาสีสีเดียวด้วยนะไม่ต้องเอาสีมาทั้งโลกหรอกเอาสีสีเดียวแล้วเอาเรื่องนี้มาแพ่งโดยศีลสมาธิปัญญาใข้ควรลงไปเนี่ยนะเอาวิสุทธิเจ็บหยาดใส่ลงไปเอามัสมีองแปดสองข้อลงไปในอารมณ์เหล่านั้นนั้นให้ให้ได้สักอารมณ์เดียวถ้าได้อารมณ์เดียวแล้วนะอารมณ์อื่นไม่น่ามีปัญหาไม่น่ายากหรอกเพราะจะแนวเดียวกันหมดเลย